พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่ากองกุศลอันยิ่งใหญ่อยู่ในความสงบนะคณะนะักทายาตโยมลูกลาน วันนี้เป็นวันหนึ่งในปีพุทธศักราช 2,559 ปีที่แล้วก็คือปี 2,558 ถ้าจำไม่ผิดกันนะเดือนมิถุนานี่แหละแ ต, แต่แต่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนในเดือนมิถุนาปีที่แล้วทุกปีเราจะเน้นมาทางเดือนมิถุนา ปีนี้ก็เป็นวันที่5มิถุนาพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันนัดทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อดูแล พ, พ, พระสงฆ์อาพาธตั้งชื่อว่ามูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่โรงพยาบาลศรีนคริน จังหวัดขอนแก่นก็เป็ น, ท, นที่หน้าภาคภูมิใจอย่างมากที่หลวงพ่อเป็นผู้ริเริ่ม เ, เรื่องนี่นะเรื่องอตึกสงอาพาทแห่งนี้ตั้งแต่ท่านคณะบดีท่านก่อนๆมาถึงคณะบดีปัจจุบันท่านก็ให้ความสนใจใส่ใจแต่คณะบดีท่านแรกหลวงพ่อก็ได้มาประสานแสดงความ จำงหรือว่าให้เหตุผลท่านก่อนที่จะได้ตึกชั้นที่10ตึกสมเด็จย่าของพวกเราที่เป็นตึกสงอาพาธหรือว่าชั้นที่พระสงอาพาธก่อนที่จะสร้างเสร็จหรือดำเนินการเสร็จจนถึงปัจจุบันขณะนี้แต่มาถึงบัดนี้ก็เป็นเวลาหลายปีเกือบ เกือบสิปีหรือมั้งคณะสัตยา ญ, ญาติโย่พ่อหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยมันเป็นเป็นปีที่3เข้ามาแล้วเนี่เพราะว่าแต่ละปีกับสปีก็หมดวาระครั้งหนึ่งอันนี้หมดเป็นวาระเป็นครั้งสองครั้งแล้วเนี่ยป่าเข้ามา8ปดปีแล้วเพราะฉนั้นเรื่องการดูแลพระสงฆ์หลวงพ่อถึงจะอยู่ห่างไกลปีหนึ่งก็โผลมาไม่กี่ครั้ง มาเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลศรีนครินแต่หลวงพ่อก็ได้ฟังข่าวๆอยู่ตลอดเ พ, เพราะว่าครูบาอาจารย์พามหาเถรระผู้ใหญ่ในภาคอีสานพูดอย่างนั้นได้ที่ตลอดถึงภาคเหนือที่องค์ใดเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ได้มาในโรงพยาบาลศรีนครินของพวกเราต่างเมื่อออกไปแล้ว หลวงพ่อก็ได้สืบสอบว่าการเข้ามาดูเข้ามาใช้บริการกับโปรงพยาบาลศรีนครินเป็นยังไงก่อนได้รับคํำชมเชยจากครูบาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ของท่านเกือบทุก เ, เกือบว่าทุกองหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกับภาคภูมิใจว่าครูบาจารย์อาจารย์หมอทั้งหลายหรือคณะพยาบาลทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายให้ความใส่ใจสนใจกับครูบาอาจารย์ ที่ท่านมาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ตามไม่จริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เ, เพราะว่าครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ที่ท่านอยู่ในป่ารงพงไพถ้าไม่จําเป็นจริงๆท่านก็จะไม่เข้าม า, เ, าเพราะว่าทางว่าจําเป็นตัวท่านเองท่านไม่อยากจะเข้าอีกต่างหากนะแต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านโอ้ยครูบาอาจารย์นด้หมดแล้วได้หมดอีกนะท่านยังเข้าม า, เ, าเมื่อเข้ามาแล้วก็น่ย เป็นการยกบุญกุศลมาให้กับคณะแพทย์คณะหมอคณะพยาบาลคณะผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลศรีนครินทร์หลวงพ่อว่าเป็นกองการมหากุศลอันยิ่งใหญ่ถ้าพวกเราใส่ใจสนใจดูแลผลนิบัติพระมหาเถระผู้ใหญ่โดยมากท่านเป็นผู้แข่งในวินยัยแข่งในศิลป์และวินัยของท่านและก็เมื่อท่านเข้ามาป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาล หลวงพ่อเองก็มั่นใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ในครั้งพุทธกาลท่านตรัสว่าผู้ใดอยากจะปนิบัติอุปถัมปะถากราตถาคตให้ปนิบัติเพลพพาภิกษุไขผู้ทรงศีล น, นี่แหละเพราะพุทธเจ้าคงจะไม่ตรัสเป็นสองคำนะคาใดเขคงเป็นคํานั้นเพราะฉะนั้นพวกเราในพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลาย นเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพุทธะแล้วบุญกุศลกองนี้ก็เป็นกองที่ยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อเองหลว ง, งพ่อเออที่หลวงพ่อได้กับคณะกรรมการได้มาจัดงานแล้วมาสร้างตึกสงฆ์ที่ชั้นสิบนี่ท่านนึกย้อนหลังก็เออเป็นความคิดที่ถูกต้อง เออทำไมจึงว่าผูกต้องเหมือนกับยกย่องตนเองแต่ตามไม่จริงเ็น่าจะยกย่องนะหลวงพ่อว่านะเพราะเพราะตกอ้ะด้วย ก, ก, ก็เนี่ยตึกหลังเล็กๆตอนนี้มาพิจารณ า, า, าอยู่จุดนี้เทนี่ยอย่างคู่บาอาจารย์อย่างหลวงปู่ศรีมหาวีโรเนี่ยที่ททวันนี้ก็มูลนิธิท่านก็ว่าได้ยินข้าท่านสุเมศ ท, ท่านบอกว่าท่านมอบ อาจา ร, รย์ทองอินมอบปัจจัยมาหนึ่งล้านบาทพอหลวงพ่อได้ยินเพียงแค่หลวงพอ่ออุ่นใจขึ้นมาแล้ว <S <S <S จะมีครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะเอามาอีกน ะ, ะและวทีนี้ก็เมื่อเมื่อเราตึกหลังนี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่ในภาคอีสานถ้าท่านจะเข้าไปที่จุฬาหลงมาจโรงพยาบาลจุฬาโร ง, งพยาบาลสิริราชท่านก็ไกลเกินไป และเอกอย่างหนึ่งท่านก็ไม่รู้จักมักคุ้นกับใครอีกต่างหากทีเพราะท่านอยู่ป่ารงพงไพ่แต่ท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทีนี้พวกลูกศิษย์ลูกหาคณะสัตยาญาณโยมพระเนนทั้งหลายก็เห็นว่าเนี่ยศรีนคริณอยู่ในจังในเขตของเราเนี่ยก็น่าจะเอาเข้ามาโรงพยาบาลศรีนครินท่านก็ยินยอมเพราะท่านก็รู้จักมักคุ้นแต่พอท่านเข้ามาแล้วก็ปากต่อปากคําต่อคำทีนี้ก็ได้รับความสะดวกสบายจากคณะ ครูบาอาจารย์คณะผู้ดูแลรักษาดูแลท่านถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยท่านก็สบายใจ เ, เมื่อท่านสบายใจก็ปากต่อปากคำต่อคำเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทางที่ท่านอยู่ป่ารงพงไพที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ก็ได้เข้ามาป่วยประมารักษาสุขภาพขององค์ท่านทุกองเพราะนั้นพวกเราหลวงพ่อเองหลวงพ่อที่เป็นผู้ไดเริ่ม กับคณะกรรมการชุดแรกนะลุงพ่อเห็นแล้วก็ลุงพ่อกระพักผุ้ใจนะคณะนะสัตยาญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นคณะผู้ผลนิบัติผู้ดูแลพระสงฆ์กูบาลจาย์พระสงฆ์อาพาธ ต, ต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นกองการกุศลอันยิ่งใหญ่อย่างที่ลุงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านะผู้ใดจะปลนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าให้ดูแลปลิบัติภิกษุไขใ้อันนี้สงมากเท่าเทียมกัน อันนี้ก็วันนี้พวกเราก็าจะยดนมีการทอดผ้าป่ามหากุศลในคราวนี้ครั้งนี้วันนี้นะถ้าหากว่าผู้ใดมีจะตุกปัจจัยเท่าไหร่ก็ขอควรจะมีนะควรจะมีการร่วมสมทบถึงจะมากหรือน้อยเราก็ไม่ว่ากันแต่ควรจะมีนะอย่างอื่นเราไปซื้อหวยแต่ละครั้งเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เรายังซื้อได้ใช่ไหม เรามาทำบุญวันนี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้ก็ชักจะเกินไปเสร็จแล้วหลวงพ่อว่านะแสดงว่าเราไม่เชื่อในบุญกุศลเสร็จแล้วนะเ mm hmm. พราะนั้นเราจุดนี้เราต้องช่วยกันแล้วก็ใครก็ตามนะลืมกระเป๋าไวไ้ในรถก็จะไปลืมนะให้เก็บเก็บมาไว้ใกล้ๆตัวจะได้ทำบุญนะ mm hmm. แล้วก็ใครปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เอ้ยเอาฝากปัจจัยไปทาบุญให้นาะ พอพอที่สุดกลับไปโว้ยผมลืมผมลืมอปัจัยถวายท่านเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านจะโมโหให้พวกเรา呐นะอันนี้ก็อย่าลืมนะให้คิดไว้วาเนี่ยให้ถือมาเตรียมพร้อมเลยเอาก็มามอบให้คณะกรรมการพวกคณะกรรมการจะได้นับจะตุกปัจจัยในเมื่อนับแล้วก็เข้าบัญชีอย่างที่ท่านประหลัดอดีตประหลัดจังหวัดอุราน้องเราที่ท่านพูดนะ่ะปีที่แล้วท่านก็เป็นกรรมการนะกรรมการมูลนิธินะ ถ้าหากว่าปีที่แล้วเนใช้เงินประมาณ3ล้านกว่านะเไปเราไปชมกันเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี่แหละแต่ละเดือแต่ละปีเราก็ใช้เงินดูแลพระสงฆ์อาพาธไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ปีแล้วนี่ก็นับว่าโชคดีนะเราเราได้เงินมาทอดผ้าป่าได้6ล้านนะเราใช้ไป3ล้านกว่าเกือบ4ล้านนะก็ยังได้กําไรอยู่แต่เอาเถอะ ถึงก็ได้กำไรส่วนนี้ก็ยังส่วนอื่นที่มีอะไรอุปกรณ์ที่เราจำเป็นจะต้องได้ใช้นะแต่วันนี้เนะี่ยหลวงพ่อว่าไม่น่าจะให้ต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ต้องเหนือกว่าต้องเหนือกว่าปีที่แล้วเพราะพระสงฆ์เข้ามาดูเข้ามาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มากกว่าทวีคูณขึ้ น, นเรื่อยๆนะมากมายแล้วก็เราจะให้ถอยหลังได้ยังไงใช่ไหมล่ะ พวกลูกหลานคณะพวกเราก็เนี่ยน ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเนะี่ยร่วมกันสมทบทอดผ้าป่ามหาภูศน์ในคราวนี้ครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันเมื่อพระสงฆ์ฉันจังหานเสร็จแล้วนะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ลวพระสงฆ์ก็จะฉันพระตาหารเมื่อฉันพระตาหารพวกเราก็รับทานอาหารตามมัธยาสาย ถือว่าเป็นการเลี้ยงสังสรรค์กันแล้วกันในวันนี้นะได้พบหน้าพบตากันนา่นทีนานทีปีหนึ่งปีหนึ่งพวกเราได้มาพบมาเจอกันเป็นการสังสรรค์กันนะ เ, เพราะนั้นเมวลกฏญาติโกโหติกาญาติธรรมของพวกเราทุกๆท่านเนี่ได้มาร่วมกันแต่ไม่เห็นอาจารย์หมอวิทูนะวะแล้วก็ บ, บ, อกบอกบอกท่านท่านคณะบดีด้วยนะว่า หลงพ่อฝากถึงอาจารย์หมอวิทูลถึงยังไงยังไงก็ให้มาร่วมทํางานซะก่อนให้เกษียณซะก่อนยังค่อยไปนะให้ประสานสามัคคีหรือว่าให้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับขอสงสอน เ, ออเมื่อกเกษียณอายุแล้วจะไปยังค่อยไปนะอันนี้ชักจะเร็วเกินไปสักหน่อยหลวงพ่อว่านะหลับอหอด น, นะเสนาคณะทายาทโยมนะ่